อาจารย์นี่ขออนุโมทจาสมใจแสดงธรรมด้วยนะกรับบูชาพระรัตนตรัยกบบูชาครูบาอาจารย์ตงแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนตวายความกรบมายังพระอาจารย์ไพศาลพระเทระครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนสัตตมิกเจริญพรมายังไม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน อ่ะก็นั่งกันตามปกติเนาะถ้ารู้สึกง ง, ง, ง่วงก็ปลุกตัวเองตื่นนิดนึงเนะาะเมื่อคืนเราก็หลับกันมาเต็มที่ลนะะบางทีก็อาจจะเต็มอิ่มะแต่บางคนก็อาจจะ <c oughs> ไม่เต็มอิ่มนะอาจจะง ง, ง่วงบ้างเล็กน้อยนะก็พยายามปลุกตัวเองขึ้นมา วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 9นะก็เป็นอีกวันหนึง่งนะที่เราได้มาร่วมกันทำกิจวัตรประจำวันนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราได้สัมผัสนะกับความสุขนะที่เป็นความสงบนะจากการที่อยู่ในสถานที่ที่สงบสงัด ของวัดป่าสกุโตนี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัสกับความสุขความสงบที่หาไม่ค่อยได้นักในเมืองหรือในสังคมทุกวันนี้ที่มีความสับสนวุ่นวายพอสมควรมอพูดถึงความสุขความสงบเนี่ยมันก็มีความสุขความสงบเนื่องจากสถานที่ ความสุขความสงบนะจากการที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะร่างกายเราเป็นปกตินะก็ไม่ถึงกับลำบากนะักนะความสุขความสงบเนื่องจากไม่มีนิวรณนะ์ความงุงเหงาเศร้าซึมความฟุ้งซ่านนะมาทำให้เราเไม่สงบนะและก็สุดท้ายก็เป็นความสุขความสงบ นะเนื่องจากการปล่อยวางนะหรือว่าอยู่เหนือนะความอยากนะความดิ้นรนกระเสือกกระสนที่ไม่รู้จักหยุดนะเรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกิเลสตัณหาอุปทานนั่นเองนะนี่ก็เป็นความสุขที่มนุษย์เรานะสามารถที่จะเข้าถึงไดนะ้ซึ่งความสุขเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องอาศัย นะการที่เราได้มาเรียนรู้นะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรานะซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยนะการลงมือกระทำํำนะด้วยเครื่องมือก็คือศีล ส, สมาธิปัญญานะ หรือในแง่ของกร า, ารวาสก็คือทานศีลภาวนานั่นเอง น, นี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้พูดในแต่ละวันแต่ละวั น, นเราได้ยินแล้วเราก็ได้น้อมนำออกไปปฏิบัติไปทดลองเพื่อให้เกิดผลขึ้นม า, นาแต่แน่นอนละนาการลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็เหนื่อยยากหน่อยลำบากหน่อยาบางทีก็ เ, ออเจอกับอุปสรรคขวางกัน้นนะโดยเฉพาะความง่วงเหงาหานอนความคิดฟุ้งซ่านความเบื่อนะความสงสัยลังเลนะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่จะมาขวางกัน้นะให้เราไม่ได้มีโอกาสนะที่จะไปสัมผัสกับความสงบสงัดนะที่ละเอียดละออก็ไปนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราก็ต้องอาศัยความ ความเชื่อความศรัทธาแลแล้วก็มีความเพียรพยายามนะที่จะทำให้ต่อเนื่องต่อไปแม้ว่ามีอุปสรรคนามาขวางกั้นอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะถ้าเรายอมแพ้เมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าเราก็หมดโอกาสแล้วหมดโอกาสที่จะได้สัมผัสกั บ, กบความสุขที่ประณีตความสุขที่ละเอียดขึ้นไปนะซึ่งโอกาสอย่างเนี้ยนะน้อยคนนะ ที่จะได้มีโอกาสมาสัมผัสนะได้มาเรียนรูนะ้เพราะว่าส่วนใหญนะ่เราก็มักจะติดอยู่กับความสุขนะที่ได้จากการเสพนะไม่ว่าจะเป็นเสพทางตาทางหนะูทางจมูกทางลิ้นทางกายวรจัใจที่มันคิดนึกนะที่เราเรียกว่ากา ม, มาสุขนะคำว่ากามในที่นี้ก็คือความยินดีนะ ในรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสนะหรือว่าใจที่คิดนึกนะอันนี้ก็เป็นเป็นความสุขในระดับเบื้องต้นนะซึ่งความสุขชนิดนี้เนี่ยนะมันก็เกิดได้ง่ายแต่มันก็ชั่วคราวเท่านั้นเองนะถ้าเราไปติดกับมันมากๆเนี่ยบางทีเราก็โหยหามันนะหรือว่าอะไรอวรนอยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆ นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโทษนะเป็นโทษของกามามสุขนะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันตัวนี้นะก็จะทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มนะไม่อิ่มในความสุขสักทีหนึ่งนะต้องวิ่งหาเรื่อยไปนะก็เหน็ดเหนื่อยนะแล้วก็ต้องวิ่งหาสิ่งต่างๆนะคนในปัจจุบันเนี่ยวิ่งหาความสุขชนิดนี้กันนะทั่วโลกเลยส่วนใหญ่ เนะีเพราะฉะนั้นความสุขชนิดนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ <c oughs> ทําบางทีก็ต้องอาศัยคนอื่นนะบางทีต้องอาศัยการซื้อนะก็จะต้องมีเงินมีทองนะมีสิ่งที่จะไปแลกเปลี่ยนกันนะซึ่งก็เป็นความสุขที่เหน็ดเหนื่อยพอสมควรเพราะนั้นความสุขชนิดนี้เนี่ยก็เอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่เราจะปฏิเสธเพียงแต่ว่าเรารู้ นะแล้วก็เสพในป ร, ริมาณราึในจำนวนที่พอเหมาะพอดีนะเรียกว่ามีความสังวรนะในการเห็นในการดนะูในการลิมลดต่างๆนะก็ให้มันพอเหมาะพอดีนะไม่รุ่มหลงนะจนทำให้เราเป็นถุกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เ, เราจะได้เราได้เรียนรูนะ้ในชีวิตที่ผ่านมานะ แต่เมื่อเรามาอยู่ที่ที่นี่ณนะที่วัดป่าสุกดโ ต, โตนะได้มาใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยนะไอความสุขชนิดที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราอาจจะมีน้อยมีไม่มากนะแต่เราก็อยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะที่ไม่ต้องอาศัยการเสพจากวัตถุสิ่งของนะแต่เป็นความสุขที่ได้จากความสงบความสงบจากสถานที่ ความสงบจากการได้เราได้มาเจริญสติได้มาสัมผัสกับความ ป, ปลอดโปร่งโล่ง อ, อกโล่งใจจิตใจมันสงบมันไม่ <c oughs> จิ้นรนกระเสือกกระสนไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่า น, นซึ่งตรงนี้น เ, ปนเป็นความสุขที่ที่เราสามารถจะทำได้โดยไม่ต้องไปอาศัยพึ่งคนอื่นมากนะัก เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้เพียงแต่ว่าความสุขชนิดนี้เนี่ยก็เป็นของที่ละเอียดอ่อ น, นจำเป็นจะต้องอาศัยใจที่ละเอียดอ่อนอาศัยสติปัญญาที่ละเอียดอ่อ น, นที่ผ่านการฝึกฝ น, นมาอย่างดีแล้วก็ได้เห็นทุกเห็นโทษของความสุขชนิดแรกคือความสุขที่เป็นความสุขที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส น, นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> เราสามารถจะสัมผัสได้นะช่วงระยะเวลาที่ที่ตั้งแต่เราเข้าวัรสามาจนถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกือบครึ่งทางแล้วนะก็ประมาณเกือบเดือนครึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเดือนครึ่งเนี่ยถ้าเรามีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้สังเกตเนี่ ย, ยอย่างน้อยเราก็คงได้สัมผัส บ, บ้างนะความสุขชนิดนี้เนี่ย ความสุขชนิดนี้ถ้าเรามีมากๆเนี่ยนะมันก็จะไปสะแสวงหาความสุขชนิดแรกเนี่ยน้อยลงนะเพราะว่ามันรู้แล้วว่าความสุขเนี่ยมันไม่ต้องไปดินน้นรนและไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยนะไปสะแสวงหามากมายเลยนะมันมีอยู่แล้วนะในจิตในใจของเรานะก็คือใจที่มันเป็นปกตินะซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติขโมบให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาสัมผัสสัมพันธ์มัน ไม่ได้มาเห็นมันจริงๆนะแต่เมื่อเราได้ฝึกฝนนะด้วยการเจริญสติก็ดีนะด้วยสิ่งที่เราได้มาใช้ชีวิตก็ดีนะตรงนี้เนี่ย <c oughs> มันก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่าโอ้มันมีความสุขเนาะมันก็มีความสุขได้นะกินน้อยนอนน้อยนะไม่เหมือนอย่างใยในในสังคมนะในสังคมก็ต้องกินมากๆนะ เที่ยวเตรเฮาสนุกสนานเพลิดเพลินไปนะแต่เราอยู่ที่นี่เราก็เอ้มันก็อยู่ได้เหมือนกันเนาะชีวิต เ, เรียบเรียบง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะก็มีความสุขได้เหมือนกันเคย <c oughs> เคยอ่านบทความของดร์สุมเมธตันติเวชกุลนะเ ล, เลขาธิการบูรนิธิไชยพัฒนาท่านเล่าให้ฟังว่าในชีวิตของท่านเนี่ยมีความสุขที่สุดนะ ตอนที่จนที่สุดนะเราก็เอ๊ะยังไงมันจนที่สุดหมายก็ว่ายัางไงท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านไปบวชนะไปบวชอยู่ที่วัดป่าแล้วก็เรียกว่าฉันเวลาเดียวแล้วก็ปฏิบัตนะิท่านบอกตอนนั้นนะช่วงชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความสุขมากที่สุดเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปยึดไปถือไปกังวลไปวุ่นวายกับมันนะซึ่งตรงเนี้ยน่าเป็นความสุขนที่ ที่ที่มีได้นะก็ไปพบกับข้อความอีกอันหนึ่งที่อาจารย์พุทธทาสพูดว่าในช่วงที่ไม่มีอะไรเลยนะั้มันมีความสุขที่สุดเลยนะนะคำว่าไม่มีอะไรเลยในที่นี้คือมันไม่ได้ไปยึดไปถืออะไรนะตรงนี้เพราะฉะนั้นความสุขชนิดนี้เนี่ยมันก็มีได้เหมือนกันนะนะเป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยการวางนะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยปะละเลย ในในหน้าที่การงานหรือว่าในการใช้ชีวิตตามปกติเรามีหน้าที่มีกิจการงานใดๆเราก็ทำไปนะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลานะที่จะวิ่งหาความสุขนะจากวัตถุข้างนอกนะจากสิ่งเสพต่างๆหลายคนนะคงเคยได้ดูในเฟซบุ๊กมีลูกเศรษฐีมาเลเซียคนหนึ่ง นะเรียกว่าเป็นผู้ที่จะต้องรับมรดกไม่รู้กี่พันล้านกี่หมื่นล้านนะแต่ว่าท่านไม่ยินดีเลยในทรัพย์สมบัติตรงนั้นนะท่านเทิ้งชีวิตอย่างนั้นแล้วก็มาบวชนะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาจะว่าน่าจะอยู่แถวแถ ว, แถวเมืองการเนี่ยเป็นพระสายวัดหนองประโงนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่ที่เห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะคนเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ต้องการความสุขจากการที่มี เงินมีทองมากมีทรัพย์สินมากมีวัตถุมากนะบางทีการมีวัตถุมีทรัพย์สินมากๆบางทีถ้าเราไม่รู้เท่าทันก็เป็นภาระเหมือนกันต้องดูแลมันต้องหวงแหนมันพรามันหายไปเราก็รู้สึกเสียดายนะเรียกว่าก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์กับข้าวของต่างๆเหล่านี้นะตรงนี้เนี่ยนะก็ได้มีโอกาสไป อ่านนิทานเรื่องหนึ่งนะอันนิทานนี้ก็เป็นภา้าฝาผนังที่ส่วนโมกนะเป็นเรื่องนิทานคำสาบานของคนตรงนะบางคนก็คงเคยได้ได้อ่านมาบ้างนะหรือได้ยินได้ฟังมาบ้างนะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีในครั้งในครั้งก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ยนะฮะก็มีพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาในตระกูลของพราหม นะซึ่งเป็นพรามที่รวยมากนะสมัยนั้นก็บอกรวยแปดสิบนะโกรดนะแปดสิบโกรดนี่ไม่รู้มันเท่าไหร่นะเอาสมมติว่าสักแปดพันล้านกันแล้วกันนะมีเรียกว่ารวยมากเศรษฐีพรามคนนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยก็มีน้องชายอยู่หกคนแล้วก็มีน้องสาวหนึ่งคนรวมตัวเองด้วยก็แปดคน เมื่อถึงวัยสมควรที่จะครองเรือนเนี่ยนะพ่อแม่ก็ได้พูดนะเรียกว่าชักชวนเชิญชวนนะให้ครองเรือนซะนะจะได้ยกสมบัตินี้ให้นะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ก็ไม่ยินดีนะในการที่จะครองเรือนนะท่านคงเห็นว่าการครองเรือนนี่มันคงจะเป็นภาระที่ยุ่งยากวุ่นวาย นะท่านก็ไม่ไม่ปรารถนาน้องๆ อ, อีก 6- กหรือเจ็คนก็ก็เหมือนกันนะมีความคิดเหมือนกันนะก็คือไม่อยากจะครองเรือนไม่อยากจะแต่งงาน <c oughs> อยากจะมีชีวิตที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ เ, เรื่องของชีวิตครอบครัวอย่างนั้นนะก็พ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับอะไรก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้ชีวิตกันมาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยพ่อแม่ก็เสียชีวิตลง นะพราพ่อแม่เสียชีวิตลงเนี่ยพระโพธิสัตว์กับพี่น้องก็ปรึกษาลือกันนะว่าเออเรารู้สึกว่าการอยู่ชีวิตของเรือนเนี่ยมันมีภาระมากมันยุ่งยากมากนะเราก็จะบริจาคเงิน80โกดนี่แหละนะให้กับคนทุกคนยากให้กับคนพิการคนยากคนจนนะเรียกว่าบริจาคให้หมดเลยอันนี้ตามนิทานเขาเล่าให้ฟังนะเสร็จแล้ว นะก็ชวนกันนะแล้วก็ชวนสหายหนึ่งคนทาดผู้ชายหนึ่งคนทาดผู้หญิงหนึ่งคนออกไปใช้ชีวิตนะเป็นนักบวชนะเรียกว่าออกไปจากเมืองเลยนะไปอยู่ป่านะก็ไปอาศัยอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะมีสระน้ำใสสะอาดมีดอกบัวสวยงามนะแล้วก็ที่สระตรงนั้นเนี่ยก็มีต้นไทร นะต้นไซใหญ่เลยนะร่มรื่นที่ต้นไซนะมีรุกขเทวดาอยู่คนหนึ่งนะเรียกว่าเป็นเป็นใหญ่ในสถานที่อย่างนั้นนะทางพระโพธิสัตว์พี่น้องนะ้าสายแล้วก็ธาตุเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตนะแบบนับบวชนะเป็นฤาษีก็แล้วกันสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นฤาษีอยู่ในป่ากันอาศัยอาหารนะในป่า นะในช่วงแรกที่ไปอยู่เนี่ยพวกน้องๆก็ไม่ค่อยจะรูนะ้การใช้ชีวิตแบบฤอสีเท่าไหร่นะก็พูดคุยสนทนาสวนเสเฮหห่าสนุกสนานกันไปนะก็ทำให้บรรยากาศของป่าเนี่ยมันมันไม่สงบสงดัดนะพระโพธิสัตว์ก็เลยเรียกมาเตือนนะมาบอกว่าเออเรามาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเนี่ยนะให้เราช่วยกันรักษาเนาะ ความสงบสงัดของสถานที่ของป่านะจะได้ไม่รบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะหรือว่าสิงสารสัตว์ต่างๆนะน้องแล้วก็ทสาทายก็เชื่อฟังนะทีนี้ทํำยังไงจากก่อนเนี่ยก็ไปหาอาหารร่วมกันไปบางทีสามคนสี่คนคุยกันเนียตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ตกลงกันว่าให้มีคนคนเดียวไปหาอาหาร แล้วเอาอาหารนั่นะมาแบ่งเป็นสิบเอ็ดกองนะแล้วพอได้มาแล้วก็ให้เคาะระฆังนะต่างคนก็ต่างมาเอาอาหารในส่วนของตนอาหารที่ว่าเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่างเงาบัวนะเป็นเงาบัวแบ่งสิบสิบเอ็ดกองวันนี้คนที่หนึ่งไปวันนี้คนที่สองไปคือตอนนี้ก็เรียกว่าสงบส ง, งัดขึ้นนะสถานที่ไม่มีการสวนเสียกัน นะไม่อึกระทึกคึกโครมนะตรงนี้ก็เลยทำให้เจริญเนะจริญในการปฏิบัตินะโดยเฉพาะยิ่งฌานก็เจริญมากขึ้นได้อาศัยอาหารการใช้ชีวิตในป่า ก, ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะท้าวสักกะเทวราชนะ ก็อยากจะทดลองใจว่าพวกฤาษีที่มาปฏิบัติกันเนี้ยนะ่ะเป็นยังไงนะ่ะก็แกล้งมาขโมยขโมยเง้าบัวของพระโพธิสัตว์ไปนะ่ะวันที่หนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์จะมาเอาอาหารเนี่ยก็อา้าวไม่มีสละหายไปไหนล่ะนะ่ะก็คิดว่าเออไม่เป็นไรน้องคงจะเอาไปน้องคงจะไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรนะวันที่สองขโมยอีกนะท้าวสักกาเทวราชมาขโมยอีกนะ่ะเออ พระโพธิสัตว์ก็มันอย่างไงนะก็ไม่เป็นไรวันที่สามโดนขโมยอีกนะสามวันเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็สงสัยแล้วไอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะก็เรียกประชุมทั้งหมดนะแล้วก็ถามว่าทำไมอ่าในส่วนของท่านพระโพธิสัตว์เองของพี่เนี่ยมันหายไปไหนใครเอาไปหรือเปล่านะน้องคนที่หนึ่งก็เลยบอกเลยบอกขอสาบานเลยถ้าผมเอาไปเนี่ยนะ ชาติหน้าเนี่ยขอให้ผมได้เกิดไปเป็นคนในเมืองในสังคมใหญ่นะมีทรัพย์สินเงินทองมากนะมีลูกมีเมียลูกนี่มีหลายคนเลยนะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับทรัพย์สมบัตินะมีความสุขันะบชีวิตครอบครัวนะถ้าข้าพเจ้าออกไปนะคนที่หนึ่งสา บ, บานอย่างนั้นเลยนะโอ้ไคนก็ตกใจเลยโอ้คนสา บ, บานขนาดนั้นเลยเหรอ เราฟังอันนี้เนี่ยมันก็มันก็เรื่องธรรมดานะชีวิตคนมันก็น่าจะมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับทรัพย์สินแต่ในแง่ของฤาษีเนี่ยเขาเขาได้ทิ้งเรื่องพวกนี้มาแล้วเขาต้องการหาความสงบนาจากการที่มีชีวิตที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มากก็ตกใจนะคนที่สองนคนที่สองบอกว่าถ้าผมเอาของพี่ไปขอให้ชาติหน้าเนี่ย ผมไปเกิดเป็นเศรษฐีนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยนะแล้วก็เพลิดเพลินอยู่กับไอ้ทรัพย์สินเหล่าเนี้ยมีความเพลิดเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเรียกว่ากรรมคุณห้าเรียกว่าลุ่มหลงจนโงหัวไม่ขึ้นนะ่ะเรียกว่าจนแก่เท่าไปเลยอะ่ะโอ้โหคนนี้ก็สาบายคนที่สองนะอืมคนที่สามคนที่สามน้องชายคนก็บอกว่าถ้าผมเอาของพี่นะ ชาติหน้าขอให้ผมได้ไปเกิดเป็นพระหมหาจากักรพรรนะมีอำนาจสั่งตรงนู้นตรงนี้ได้ตามใจนะเรียกว่ามีพาระงานนะมากมายทีเดียวนะซึ่งตรงเนี้ยนะก็เป็นคำสาบานของคนที่สามคนที่สี่นะบอกว่าถ้าผมเอาของพี่ไปชาติหน้าขอให้ผมไปเกิดเป็นอา่าเป็นเรียกว่าเป็นเป็นหมอดูก็ได้อาเป็นหมอดู เป็นคนพยากรณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้วดูแม่นด้วยนะลาบสการะมามากมายแล้วก็เพลิดเพลินนะอยู่กับลาบสการะต่างๆมาถึงคนที่คนที่5เป็นผู้หญิงน้องสาวนะบอกว่าถ้าชาติหน้าเนี่ยถ้าถ้า เ, าเอาของพี่ไปเนี่ยชาติหน้าขอให้เกิดเป็นเมเสีของพระราชามีความสุขสบายเพลิดเพลินนะไม่ต้องม า, าหาความสุขจาก การที่มีชีวิตอยู่ในป่าทีนี้มาถึงข่าทาสบ้างนะทาสผู้หญิงบอกว่าถ้าข้าเอาของท่านไปเนี่ยชาติหน้าขอให้ข้าไปเกิดเป็น เ, เรียกว่าเป็นนักบวชผู้หญิงที่มีสติปัญญามากสามารถรู้เรื่องอภิธรรมได้ลึกซึ้งนะสามารถไปโต้ตอบโต้เถียงกับพระได้นะสามารถข่มคูเรียกว่าด้วยวาจาได้นะ ทีนี้มาถึงคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายนี่ก็คือลุกกเทวดาลุกกเทวดานี่ก็กลัวตัวเองจะผิดด้วยนะก็เลยออกมาบอกว่าถ้าผู้ใดกระตามที่รักเง่าบัวของพระโพธิสัตว์ไปเนะี่ยชาติหน้านะขอให้เกิดไปเป็นเจ้าอาวาสนะและเจ้าอาวาสนี้มัวแต่หาเงินหาทอง เรี้ยะายเงินมาเอามาก่อสร้างสิ่งต่างๆเรียกว่ามีงานก่อสร้างไม่จบไม่สิน้นทำต่อเนื่องไปไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาที่จะม า, เ, าเจริญสตินะตรงนีนะ้ตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ <c oughs> สะท้อนอะไรนะเรื่องมันก็ทีนี้พอแต่ละคนสาบานอย่างนี้เสร็จเนี่ยเท้าสักกดเทวรากโอ้ เห็นพวกฤาษีนี่เอาจริงเอาจังตั้งใจกันดีเนาะก็เลยแสดงตัวออกมานะแล้วก็มาบอกว่าสิ่งที่เง่าบัว ท, ที่หายไปเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยได้ลักไปนะได้แอบขโมยไปเพื่อที่จะทดลองใจของฤาษีทั้งทั้งหมดนี้นะเรื่องก็จบลงแค่นี้ตรงนี้เนี่ยนะนิทานเรื่องนี้มันมันมันมันเป็นเรื่องโบราณ น, นะแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนโบราณเนี่ยนะ ความสุขนะ ท, ที่จะได้เนี่ยนะมันเป็นความสุขที่อยู่เหนื อ, อ, อรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนะการได้อยู่ในสถานที่สงบสงัดนะได้สัมผัสกับสุขที่ประณีตนะตรงเนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นอิสระปลอดโปร่งนะจากเครื่องพันธนาการนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง ลูกเมียข้าวของต่างๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ในในโลกปัจจุบันในสังคมส่วนใหญ่เป็นเป็นสิ่งที่เราวิ่งหากันนะแล้วก็หาความสุขนะที่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ได้นะซึ่งเราเห็นได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ในประเทศที่จเจริญแล้วนะอย่างเช่นที่อเมริกาก็ดีญี่ปุ่นก็ดีนะที่มีเศรษฐกิ จ, จเจริญรุ่งเรืองมากๆ บางทีความสุขที่ได้จากวัตถุเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มนะความสุขในจิตในใจได้นะก็ต้องวิ่งมาเรียนรู้ศึกษาเนะีเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเนะี่ยเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะหรือแม้แต่คนจีนนะที่เราเห็นมาที่วัดของเราส่วนหนึ่งนะก็เข้าใจว่าเขาคงจะมาสแสวงหาความสุข นะที่ไม่ต้องไปอิงกับวัตถุมากจนเกินไปนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนนะให้พวกเราได้พิจารณานะว่าการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตมาศึกษามาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เพื่อที่จะได้สัมผัสนะความสุขที่ประณีตความสุขที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเรานะคือความเป็นปกติสุขนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องผ่านนะ อารมณ์ที่มันขวางกั้นนะพวกนิวรณ์ต่างๆความยึดติดกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมให้ต่อเนื่องเรามีเวลาเหลือครึ่งทางเท่านั้นนะถ้าใครยังไม่ได้เริ่มเลยก็เริ่มซะหรือถ้าใครเริ่มแล้วก็ขอให้ทำต่อไปตรงนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ที่สิ่งที่พุทธองค์ได้ค้นพบ นะแม้ว่าท่านจะเป็นถึงจะเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิแล้วท่านยังทิ้งได้นะเพราะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอ่อเหลือเชื่อเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเส่งคนปัจจุบันน้อยคนนะที่จะเชื่อเรื่องนี้นะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งหาความสุขจากข้างนอกแต่ความสุขข้างในเนี่ยเราไม่ก็ได้รู้จักกันนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่จะฝากไว้นะในเช้าวันนี้ ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตรนไตรยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือจ ะ, จะทำความจริงที่แสดงปรากฏแลนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิของแต่ละผู้คนด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติ สมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นพละวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเดินเจริญพร